و ุดว่าอิ ا ล ن าอิลล่าอั ش ตะอางุบิกาไม่ในชั่วรีนั้ ر ซีว่าชั่วรีซาอิต ا านีว่าชั ا ل م ل คี ل ه ا ل ันอัคตารี ل ะละนั้นซีช ل อันอว่าจุรร و ูอีลามุสลิมลาอิลล ل าอิลลัลลอฮูอะห ل ดะฮูลาชา พี่น้องที่ร่วมนมาสุบรที่มัสยิดของอัลลอ์หรือที่บ้านของอัลลอ์ที่รักทั้งหลายครับแต่พี่น้องที่ติดตามนะครับตั้ซีอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านทั้งท่านนะครับ ه, ทำโดลแลโดยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาไมใช่ความสามารถของเราเลยเนี่ยเป็นความสามารถของอัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวินาทีนี้นะครับ นี่เป็นความเมตตาของอัลลอ์ที่อัลลอ์ประทานให้กับนะครับบ่าวของอัลลอ์ทุกคนเราขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วเราตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ชมอัลลอฮ์สารสนอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลละฮินลาีอัฮยานะบาดามะอามะตานะไวลลฮินนูซูรแล้วก็ช่วงนี้มันช่วงสิบวันแรกของเดือนรุลหิจ 10วันแรกของเดือนกุนไฮยะท่านนาบีเนีส่งเสริมให้เราทำหลายอย่างนะหนึ่งออ่านอุราอ่านก่อนเป็นประจำสม่าเสมอสองนมาดอย่าขาดเลยพยายามเก็บดูนาะนมาศสุนงสุนัตนมาตะหัรยุดธเก็บซะยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมแล้วก็นมาดมุอักกะะก่อนหลัง น้ำมาดูมีก่อนก่อนสุโบนยี่สองรอกาตเนี่ยยาขาดเลยนะเพราะว่าน บ, บีสอนบอกว่าคนที่น้ำมาศสุนัตก่อนน้ำมาศสุโบนสองรอกาตเนี่ยดีกว่าน้ามาศสองรักาตเนี่ยดีกว่าโลกดุนยาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่อยู่ในดุนยาอีกอนะสิ่งที่อยู่ในดุนยาก็เอามีเพชรมีพลอมมีน้ํามันใช่ไหมอยู่ในแผ่นดินอยู่ในชั้นฟ้านี่ยนมาศแค่สองอักานั้นผลบุญเยอะมากเลย แล้วก็บร mm ิจาคสม่ำเสมอยิ่งในช่วงสิวันของเดือนอุลฮิยะนี่บริจาคมีรางวัลเยอะมากครับแล้วก็ ذكر ุลลอฮ์ุลลอฮ์ก็มีอยู่หลายประโยคเช่นละอิล่าอิลลัลลอฮฺอัละดะฮฺลาชาลกะละละหุลมุลกุวะละุลฮัมดุวะวะละุลิชาอินกุนัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาลาอิลฮอลลัลลอฮอัลลอฮอัั เนี่ยว่าเลยเป็นร0อยเป็นพันแล้วก็ขอดวงอาขอดวอาดวาที่ดีที่สุดเนี่ยขอดวอาในสุจูดหรือว่าตอนนั่งอัตไยาเนี่ยขอดวอาก่อนจะให้สลามเนี่ยอ่านดวอาเลยนะครับถ้าพูดเป็นภาษาราบได้ก็พูดถ้าพูดไม่ได้ให้นึกให้นึกตอนสุยูดก็ใช้นึก ถ้าจะพูดเป็นถ้อยคําออกมาต้องเป็นภาษารับนีท่านนาบีสอนเราหลักดุลีลาแล้วก็ในช่วงสิบวันแรกนี่เป็นนังคนที่เนียดจะทํากุฎบานนี่นบีสั่งนะอย่าตัดเล็บมันต้องตัดก่อสนสวรรค์จะตัดผมแล้วก็อรออักบัดแล้วก็นี่ทําความดีนี่แหละยาวโมโหให้อภัยถามอายุเท่าไหร่ละหกสิบ ยังโมโหโอเหรอให้อภัยเธอให้อภัยกับคนเวลาให้อภัยต้องมองตัวอย่างใครนบีมุฮัมาามัดสุละลคนอื่นผมมองไม่ออกจะเอาใครอ่งถ้ามองนบีเนี่ยเร า, ารับรองนบีใช่ไหมลกอดะกาาลกุมฟิร์ลิลลาฮิอุสวตุนฮซนะในตัวท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ย23าปีของการเป็นนบีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสาหรับท่านทั้งหลายคนที่ต้องการจะ ไปพบกับ Allah. อัลลอ์ช้าชีวิตในโลกอาคิร์นี่ไม่มีอะไรดีเท่ากับปฏิบัติตามสุนนะท่านนาบีของที่นบีทำเรียกว่าสุนนะหมดเลยทำอยู่ือๆฉะนั้นอย่ากโกรธให้อาภายัยนบีถูกแกล้งถูกรังแกถูกขว้างโดยหินเลือดไหลานี่ยเอาเรื่องไม่ไม่เอาเรื่องเลยให้อาภาัยทั้งหมดไอการให้อาภาัยนี่แหละมันมาจากแรงอีหมาน บริจาค ก, ก็แรงอิมานลุกขึ้นนมาตะหัดยุทธเนี่ยก็แรงอิมานนะมานั่งที่มัสยิดมาเรียนตัปสีคุณอ่านอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงนี่ก็แรงอิมานนะอัลลอฮ์เปนรังกับพราะอิมานเนี่ยเพราะมันเข้าปรยชน์ในใจใครแล้วเนี่ยกลัวตายพอกลัวตายทําไงก็เต่าบาตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซะไม่ได้เสียหน้าตรงไหนเลยของที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติพี่น้องปฏิบัติให้ครบนะขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ย แล้วก็เนียดซนะวันที่เก้าถ้าบวชทุกวันได้ดีถ้าบวชไม่ได้ก็วันที่เก้าวันที่อะไรวันที่วันพฤหัสอ่าที่สามสิบเนี่ยก็เรียกว่าบวชอะไรนะวันอารฟะวันอาราฟะนี่นะที่ขอยมามุสลิมพูดบอกว่าอัลลอ์จะอภัยโทษให้สองปีปีที่ผ่านมากับปีต่อไปผมถามหลายคน ผมเอาครับบอกเอาทำไมก็ร อ, อ, ลลอลดโทษต ร, ตรงสองปีะอะรออาิบาอติบาโทษนี้ต้องโทษเล็กๆนะโทษใหญ่ๆต้องอะไรเตาบะนี่ลัการอิสลามผ่านท่านนาบีไว้ อ, อธิบาชัดเจนนโทษเล็กๆนี่นะอัลล อ, อภัยาโทษหมดนี่ละอะไรนักถือบวชในวันอลัล ล, ลอฮฺม้าทำเราเ่ยละรอให้ฝนตกมาเป็นรอกมาะนะ อย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นรอบมาให้หมด เ, เพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อกุลบานไปน้องแบง่งในคนโทรศัพท์มาเยอะฉันจะทําบุญจะเอาเนื้อกุลบานเนี่ยทำบุญให้หมดเลยไม่แจกคนได้ไหมประวักไม่ได้ท่าเนียรคุรบาลต้องแจกถ้าเนียร์ทำบุญก็เชื่อต่างหาก ถ้ามีไอ้กุฎบานต้องทำบุญหมดเลยเหลือเท่าไรเหลือส่วนหนึ่งให้เราใช่ไกมไอ้ส่วนนี้แหลทําบุญไปอีกสองส่วนกับบริจาคเป็นเนื้อสดไม่ก็ได้ให้ไปเลยให้ไปให้ไปให้ไปทำได้เลยละถามว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งจนหรือว่ายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งเพิ่มนี่มันหลักการของของอิสลามนะศาสนาอื่นผมไม่ทราบนะแต่ไม่อยากจะไปเรียนด้วยเรีอิสลามนี่แหละจะน้องเรียนอย่างเดียวนะยิ่งให้ยิ่งยิ่งเพิ่ม ละอินชากรตุมละอซีดันนะกุมต่างท่านทั้งหลายนี่ขอบคุณอลัลลอฮ์ด้วยการทำอัมมันซอแรนนี่นะอัลลอ์จะเพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้ใหให อ, อัลลอฮ์ว่าวันนี้ขอบคุณอัลลอ์นะเราได้มาทบทวนกรุรานสุรยาซีนซึ่งพี่น้องทุกคนก็จําเป็นบทเลยใช่มล่ะสุรยาซีนอ่านทุกวันน่ะรู้ความหมายด้วยดีมากครับ ถ้าไม่รู้ความหมายก็อ่านแบบไม่รู้ความหมายก็ได้ได้แบบไม่รู้นี่นแหละแต่ถ้าหาว่ารู้ความหมายดีๆไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองทำดีๆแล้ววันนี้อามาถึงอายาที่ยี่สิบสามก่อนหน้านี้หนึ่งอายาที่ผ่านมานะครับอธิบายยังไงครับมันมีอยู่เอาเอาประโยคประโยคสุดท้ายของอานะ ย, ยานะและยอร์จิออนตายแล้วไม่กลับ บนดุนยาใบนี้ลายัดยังคงแปลว่าไม่กลับอธิบายยังไงคนที่ตายแล้วบนโลกดุนยาใบนี้ไม่กลับมาวิญญาณกลับไหมไม่กลับเนี่กุย้ยานญาณนี้แหละเตือนเราอะไ้ความคิดความเชื่อของพี่น้องเราต้อค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปแต่โอ้ที่บอกวิญญาณกลับมาเที่ยวบ้านขึ้นมันสู่อะไรๆนี่เป็นความเป็นความรู้ที่ไม่ผ่านนะดีเป็นความรู้ที่ผ่าน ผู้ใหญผู้ใหญ่จะก็สอนสอนกันได้สมัยก่อนหมดแล้วอีกคําหนึ่งพี่นอ้องก่อนหน้านี้อายุอายุที่30บยัสตาซิอูดูสับตอนท้ายอย่างเดียวก็ันพวกเขาทั้งหลายนั้นพูดยเยอะเยยและยอดเยียนพวกเขาที่ตายไปแล้วเนี่ยคนที่เยอะเย้ ย, ย, ยนะบีเราง่ายตายแล้วกลับมามาเมื่อไม่ม า, ม า, มา ไ, มไม่มารู้ไหมกลับมาทําไมกลับมาแก้ตัวแล้วไม่ให้กลับครับแล้วก็ยัสตาซิอูหมายถึงอะไร เยอะเย้อดูถูกเหยียดหยามเหยียดหยามใครเหยียดหยามกูนานเหยียดหยามสุนนะนบีเหยียดหยามตัวท่านนบีเองเหยียดหยามคำสอนของนบีแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีวันกิยามะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอ์ในชั้นไม่เชื่อยาสตาซิลดูถูกเหยียดหยามขนาดดูถูกเหยียดหยามอย่างนี้อัลลอฮ์ยางเลี้ยงเหมัเอาเอาไป บ้านใหญ่ๆเนื้อสวยๆไม่ต้องนิก้าด้วยเออให้ไหมให้เต็มเลยแต่คนมุมินอยู่บื้อานี่ต้องระวังตัวตลอดไมเห็นนะเอา้าสิบวันสุดท้ายสิบวันแรกเรื่องวิชาทําอะไรบ้างต้องประคองตัวให้หมาประคองตลอดเวลากลัวจะทําอะไรผิดแต่คนกาเฟต่ต้องประคองไหมไม่ต้องประคองหัวเราเยะดูถูกเยียดยามทําอะไรก็ได้อย่าเอาอัคราลุ่มมาใช้นะครับ เอาศั์อีกคำหนึ่งอายาที่ยี่สิบอมีดูนว่าอีก่าหุมคอมีดูพวกเขาตายเรียบนี่ท่องเฉพาะศั์คำสุดท้ายของอายาทุกอายานะความรู้เต็มเลยฮัมดีเลยล่ะเอาวันนี้มาอายาที่ยี่สิบส วิ่งก ل ลَุละ ج ้าจามีอุลเดย์นะมุฮบารุนวิ่งกุลุลละม้าจามีอุลเดย์นะมุฮบารุน الحمد لله الله เจ้าเจ a าทุกข์มาเนี่ยวิ่ u กุลกุลเบว a ทุกๆสิ่งลัมม่าะม่เอาจะไม่แปลว่าทั้งหมดทุกๆสิ่งทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วเนี่ยนะละไดนาะต่อหน้าเรามัวดูรูนถูกนำมาอยู่ต่อหน้าคนที่ตายทั้งหมดตั้งจะยุครกแรกอันต่นาบี อาดำเรื่อยมานาบีก่อนบีอิบรอฮิมทุกนบีมาถึงยุคสุดท้ายของนบีมูฮัมหมัดที่ตายไปเท่าไหร่นั้นกุนลุมทั้งหมดเหล่านั้นละได้นะมาอยู่ต่อนหน้าเรามุฮัมดรูน่นยืนอยู่ต่อนหน้าละได้นะต่อนหน้าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์สุพรรณอุบวตมาแลแสดงว่าตายแล้วฟื้นไหมฟื้นหมดเลยแต่จะไม่ฟื้นบนโลกดีญญ้ยา แต่ถ้าไปฟื้นในโลกอาตีร์เราตก ล, อ ง, ลงว่ามุสลิมต้องมีอักิดาแบบนี้นะตายกี่ครั้งนะตายสองครั้งเกิดกี่ครั้งเกิดก็สองตายสองเกิดสองผมก็ลองถามดูคือน้องมุสลิมเราเนี่ยตัวาตายหนึ่งเกิดหนึ่งตายหนึ่งเกิดหนะอัีรดาข้ ง, นงนบนกาเฟ่ แต่อาคีนาของผู้ศรัทธาต่อลอเนี่ยต้องตายสองเกิดสองลองอภิวาทเีตอนนี้นะเกิดครั้งที่หนึ่งอยู่บนโลกดุนยาใช่ไหมยเยอตายแล้วก็ฟื้อนอาที่ฟื้นนี่แหละอายันนี้นะว่าอิฟุลลุว่อิงฟุลลุลละมาจำียเอละได้นาะมวหบารุนนี่เกิดครั้งที่สองนะ ต้องไปยืน อ, อยู่ต่นะอหน้าอัลลุาานาณาวุวัวาคุณรู้ไหมชีวิตบนดุนยานี่กับชีวิตในอาอราิรตันเนชีวิตบดุนยานี่ยไปทงานทางานทางานทำงานทงาง น, งนยังไม่มีรางวัลไรางวัลยังไม่มีนะมันนั่งอยู่มัสยิดทีม่มีรางวัรางวัลอะไรหรือเปล่าคนนั่งอยู่มัสยิดมีสรางวัล นะรางวัลอะไรบ้างครับพี่น้องอนั่งอยู่ในมัสยิดมีสี่รางวัลข้อที่หนึ่งมาเลก้าเนี่ยลงมารอบลอ้อมรอบล้อมเนี่การไม่ให้ใช้ดอนเข้ามาวิ่งเี๋เร า, า, า, ราเนั่งนานตั้งแต่จะอยู่เนี่ยมาเลก้ามายืนกันมเลยข้อที่หนึ่งะข้อที่สองวัชยบุตมุ ร, ระนะอัลลอฮฺประทานความเมตตาคุมเอาเมตตามาให้ ตอนนี้ใจทุกคนสงนจจบจดจ่อมาูดอ่านใช่ไหมใจโอ้ใหญ่จะอัลลอฮ์เรื่ออ ย, ยจะรอ้องให้บักอะไรบังมันโบนหมดเลยใช่ไหมเรื่อเรื่องที่สามอัลลอฮ์ให้มาไลกาบักกลางปีปีสา น, น, นะเรื่องที่สอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราที่นั่งอยู่ในมันสยิดนี้เล่าให้มาไลกาที่อยู่รอบรอบอัลลอฮ์เนี่ยให้ฟังตัวว่า น, นี้มาไลกา พวกท่านไปเพยดูถูกอาดมใช่ไหมลูกหลานของอาดมว่าสร้างมาทําไมตอนครั้งแรกไหนมัน้งมาเลกากรทั่งว่าฉันยูกับยินมาก่อนยินก็มาย้อนต่อร้องทะเลาะกันอะไรกันมนุษย์ก็เหมือนกันมาตการจะบอกว่าไม่ใช่มาเลกาเนี่ยในนี้เองลองไปดูสิถ้ากนนั่งทานกินอาหารกันนั่งคัแล้วกัน นั่งฟังพคุณอา่านบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ใจอ่อนนุ่มสองตัวเล่าให้มาลาิกาี่อยู่รอบรอบอัลลอฮ์็นฝันมีสี่อย่างนี่รางวัลนั่นนี่ได้หนาได้าตะวันสยามัดนี่แต่ตอนนี้ก็ให้ก่อนนะให้ใจสงบแต่เรามองไม่เห็นนะแต่รางวัลจริงๆจะต้องได้รับหลังจากตายไปแล้วพอฟืน้นขึ้นมาอัลลอฮ์เห็นรางวัลจริงๆเลยอย่างนี้ด้ครับอัลฮัมดุลิลละ ว่าอินทุลลามาจามีลนใดนามุฮบารุนและพวกเขาทั้งหลายยามีคนรวมทั้งหมดมุฮบารุนจะถูกนำมาต่อหน้าเราอาหล่อตั้งแต่คนในยุครางแรกพื้นหมดเลยในตัปทีอธิบายอย่างนี้สุนัขนบีอสอนบอกวา่า คนที่ตายก่อนเนี่ยกับคนที่ยุคสุท้ายบีมหมัดเนี่ยตายเนี่ยใครเกิดก่อนปรากฏว่าอุมม่าของนบีมฮัมมัดเนี่ยเกิดก่อนฟื้นขึ้นก่อนจากกูบสจากคนที่ที่หลังเนี่เกิดที่หลังอุมมของท่านนบีมุฮัมมัดอลฮุสาลคนที่ฟื้นคนแรกจากกูบสเนี่ยนบีมุฮัมมัดอลฮุาลา รองโรงงานกับลูกสาวนาบีแล้วก็พวกเราเราก็ไปตามมาตามมาตามมาตามมาท่านคนแรกใครนะนบีมุฮัมมัดสุลตานอุมมุสลามเนี่ยอลเราเล่าให้นบีฟังนบีก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังเราต้องดีใจนะฮัมดูลิละทีนที้เราต้องนึกภาพมาหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องผ่านอีกแปดขั้นตอน จะเข้าสวรรค์ได้ไหมละ่ะต้องผ่านเจ็ดขั้นตอน8ดขั้นตอนถนะ้าเข้าสวรรค์เจ็ดขั้นตอนมีอะไรบ้าง่ะ 1. นมองูตกูโบไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่รู้ว่านานกี่ร้อยปีนะไม่รู้นะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยไปนั่งอยู่ี่ทุ่งมัสซาด์เอาลอยให้มาไลก้ามาถามว่า พวกเอ็น่ยอยู่บนดวง ญ, ญานี้อายุเจสิปีนอนอยู่ในภูโบอีกประมาณไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนานเท่าไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าขึ้นวันอัลลอฮฺอับดิลลาห์านอยู่แค่ขึ้นวันหรือหนึ่งวันเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นในคาเฟ่คุณอ่าน อ, อธิบายว่าวันพรุ่งนี้มาถึงวันกียมา วันพรุ่งน yeah, ี้ไม่ได้พูดว่าเดือนหน้าปีหน้านะในคำพิเศษคุูดบอกว่าดันอย่าอยุันลีนะคััน evet yep ัุนับซุมมมาวันทังุ่นนัซุมบีมาอะมะด้หเลนะวันพรุ่งนี้งว่าชีวิตของเราเนี่ยสั้นมากนะพอตาแล้วถึงจะรู้นะเราชีวิตเราอยู่บนดุนยานเนี่ยสั้นนิดเดียว นอนอยู่ในกูโบฟื้นขึ้นมาอาลัลลอฮ์ถามในวันเกียม์มายาวมันเอาบา่วยาวครึ่งวันเดือนหนึ่งวันเคยถามในซูร่าคาฟีใช่ไหมที่นอนอยู่สามร้อกับเก้าปีเหลับเขาฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเขาถามว่านอนอยู่กี่ปีสแค่เดียวอ่ะแค่ครึ่งวันแต่มาดูเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยคนละสมยะัยอ่ะโอยคนละยุคเนี่ย นับไปนับมาสาวร้อยกวปีแต่คนที่นอนมีความรู้สึกว่าเทา่าไรขึ้นวันเท่านั้นเองด้านโวกดุงยาไปนนสั้นมากครับทัา น, นยาอย่าไปหลงดุงยาโลกดุงยาไป น, นี้มีตัวแทนของดุงยานะวะสีอย่างหนึ่งเงินสองชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศเงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศสีอย่าง ถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาตั ก, กวันไม่เอาอีมานไม่เอาอิสลามไม่เอายาตีนไม่เอายากรไม่เอากิจามัดไม่เชื่อกิยามัดเพราะกิยามัดในงานมันเยอะแต่ถ้าเองไม่เอาอีมานต่ออัลลอฮ์นะฉันให้ตัวแทนบนโลกดุนยาเบนี้สตัวแทนเอาไปเลยเยอะๆเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศจะไปทะเลาะกันนะใช่ไมเราจะไปแย่งชิงกันฆ่ากันใช่ไหม สังเกตดูสิถ้าเราเนี่ยหัวใจเราสง่างามพูดภทษาต่อรอลเนี่ยเอาลองบรรจุความสง่างามภายในหัวใจนีเยอะมากกับเพราะเรามีอิมานต่ออัลลอฮ์มีอิสลามมียัตีนียะซามีอิสลามมีสุนัขนบีอัลลอฮ์นี่มันยิ่งใหญ่มากเราต้องภูมิใจที่เราเป็นมุสลิมแล้วก็อิมานต่ออัลลอฮ์และมีสุนัขนบีมากับกับชีวิตเราดี ไ, ได้ไม่ดีอัลลอฮ์อักบะฮ์อย่ากถามตามใจตัวเองทุกคนนั่นะ อย่คิดไปคิดมาอย่าไปทำทำตามท่าบีดีกว่าหาว่าไม่ดีแล้วตอนนี้เมื่อกผมเล่าให้ฟังว่ากูโบก่อนใช่ยหมแล้วก็ฟื้นขึ้นนี่สแล้วนะ 3. ไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัก 4. คิดบัญชี 5. ้าตาช่ง 6. กบอ่อน้ำเกาซั่นเจ็ดีรัตแจะไปนรกหรือ ไ, ไปสวรรค์เห็นไหมคิดขั้นตอน เจ็ดแปดขั้นตอนน่ะยาวนะมันไม่ใช่สั้น น, ะน่คนที่จะไม่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนไอ้ผ่านขั้นตอนแบบง่ายกับยากเท่านั้นเองแต่ผู้ศรัทธาต่อรอดเนี่ยง่ายหมดง่ายหมดอ่ามาดูฮะดิษบทหนึ่งอท่านมัลลีสอนอย่างนี้คนที่จะอยู่ใต้ร่มเงานในวันเตียมะนะในยุคเจ็ดทั่วเจ็ดกลุ่ม หนึ่งอิห ม, ม่ามอาดิลอิหม่ามที่เป็นให้ความยุติธรรมกับกับประชาชนถ้าว่าอิห ม, ม่ามหมายถึงว่าผู้ปกครองอ่ะเวลาให้ก็ให้อำนาจใช่ไหมละ่ะบางคนเนี่ยตาสินเข้าเข้าตังพวกไอ้คนผิดให้มันให้มันถูกคนถูกทํามื่มันผิด แ, แล้วก็ตามแต่เนี่ยอิห ม, ม่ามถ้าอิหม่ามอย่างนี้นะครับอาดิลยุติธรรมอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์รอเข้าสวรรค์ ประเภทที่สองครับเด็กหนุม่มเด็กหนุ่มชาบุญนาชาอาคุยบาาิบ้าดดติรบีใช้ชีวิตตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยนะอยู่ในการพักดีต่ออัลลอ์ตลอดเราไปสวรรค์สองแล้วนะนี่คุมด้นะคุมพวกเราหมดเลยนะเด็กหนุม่มเด็กหนุ่มนะข้อที่สามรอยูลุนหัลล่กุนบินมาซ บ, บุรุษหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอ์ ผูพ ก, ก, พกพันกับมัสยิดอ่าผูกพันกับมัสยิดมานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำรอไปสวรรค์อย่างเดียวเลยครับเห็นไหมนี่รางวัลที่อัลลอฮ์จัดให้กับคนที่หัวใจของเขาผูพกพันกับมัสยิดของอัลลอฮ์ซุราไหนก็ได้ไปนอ้องไปณมาตข้อที่สผู้ใหญ่มีชายผู้หญิงสวยมาชวนผู้ชายคนนึงให้ไปทําดีนานะ ขับรถมามีเงินด้วยหนะ้าตาสวยด้วยแต่ผู้ชายบอกว่าฉันกลัวล้อฉันฉันไม่ไปกับคุณนะ่ะอ้าผู้ชายประเภทนี้นะครับเลาให้ไปสวรรค์หมดเลยนะต่อมาข้อที่ห้าชายสองคนหรือว่าหญิงสองคนรักกันเพื่อฮอลล์แล้วก็แยกออกจากกันก็เพื่อฮอลล์สามีภรรยาบ้านเดียวกันสอง น, นาอยู่ได้ไหมมาก่อนนี่อยู่ได้ แต่สมัยมยุคของมูฮัมหมัดเนี่ยเขาห้ามไม่ให้อยู่นะจะนั้งใครที่อดในเรื่องเหล่านี้สบัยอดทนวางตัวดีอลัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์รักกันเพืเอ่อเพื่ออัลลอ์แยกออกจากกันกับเพืเอ่ออัลลอ์ข้อที่หกพี่น้องครับบริจาคได้ไหมบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงบริจาคแล้วไม่โฆษณา แต่คนที่รับบริจาคจะโฆษณาให้อีเรื่องหนึ่งนะเราไม่เกี่ยวเช่นเราเอาเงินสร้างของน้ำเนี่ยแสนห้าเราให้ไปเลยมีปงปูอะไรเรียบร้อยมีที่กันให้ผู้ชายเห็นผู้หญิงเหมือนเราหมดเลยอนะ่ะเราให้พูเาา้เราแต่กรรมการโซ่เราเอาชื่อเราไปขึ้นนองเรื่องของเขาสังนัคนที่บริจาคแล้วก็ มือให้ไบมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายอย่างนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยอยู่คนเดียวร้องไห้ลุกขึ้นน้ำาตาหยุดคนเดียวน่ฝา ฟ, ฟ้ า, ฟ า, ฟาบอดไอหน้าหูน้ำตาไหลร้ลองไห้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์คิดถึงบาปตัวเองที่ทำมาไม่น่าจะทำละเลยอัลลอ์ฉันเสียใจร้องไห้เนี่ยเจ็ประเภทนี้นะครับต้องเป็นมุสลิมทั้งหมดนะไม่ใช่กาฟ ีมุสลิมนเจ็ดกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องสอบสวนอะไรเยอะผ่านตาช่างก็ง่ายคิดบัญชีก็ง่ายผ่านสะพานสซรั่ก็ง่ายง่ายหมดเลยไป่นองแล้วก็รอเข้าสวรรค์อย่างเดียวหรือพูดง่ายๆตอนเช้าๆเนี่ยไปอยู่ใต้บาลามอัลลอ์เนี่ยกินอาหารเช้าเบรคฟอสอาหารกลางวันในในในสวรรค์อธิบายง่ายๆนะเพื่อเข้าใจง่ายๆ อาต่อมาครับตูนลงว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นทุกคนตายเท่าไหร่ฟื้นทั้งหมดในอุญสุราบกโรอธิบายอย่างนี้ไกฟะตะสุราบกโรอายาที่ยี่สที่28ต้องใช้ดูสิไกฟะตักุรูนบิลล่าฮิวะคุนทุมอัมวะตาฟะอัฮยากุมทุมมาโยมิตุคุมทุมมาโยฮีคุมทุมมาอิไลตูเจา พวท่านทั้งหลายจะปฏิเสธอลัลลอฮ์ได้อย่างไงในเมื่อครั้งแรกน่ยคุณในสภาพคนตายก็ อ, อยู่ในคันมันดาถือว่าตายนะสองคุณมีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแล้วต่อไปคุณต้องตายแล้วคุณก็ต้องให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องไปรวมตัวกันอยู่ที่อลัลลอฮ์อีกห้าขั้นตอนนะ่ะตายครั้งแรกอยู่ในอยู่ในท้องมันดา าธิบายง่ายๆนะมาอยู่บนดุนยาแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นไม่ใช่ฟื้นอย่างเดียวนะต้องไปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในทุกม Allah, าชา่นอัลลอฮ์ตอหนาอัลลอฮ์สุบฮัดะัลอาญานี่ยวิญกลุ่ลัมมาจะมิเอาละได้นามุฮดารุทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ทุกคนเลยนะครับเอาต่อมาอายาที่33 وآية اللهم الأرض الميتة أحياها وأخرجنا منها ح ب ا ف م ن ه يأكلون وآية اللهم الأرض الميتة อภัยนั่นและว่าขรรจ์นั้นนั yeah ้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้ a นั้นนั้ a นั้นนั้ a นั้นน i ้นน u ้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้น้นั้นนั้นนั้นนั้นน มองด้วยตาก็เห็น อ, อะไรบ้างครับอ้อเล่าบอกว่าอาญาอาญาหมายถึงสัญญาณสัญญาณแต่ละสองอย่างหนึ่งอยู่ในคัมภีกุณาอานเทียกว่าสัญญาณกุณอานนี่เป็นสัญญาสองเนี่ยแผ่นดินที่ตายแผ่นดินที่แห้งแล้งนั่นก็เป็นสัญญาณต้นไม้นี่ก็เป็นสัญญาณถ้าเราใชา้ปัญญาเป็นเดินตามกุณาอ่านคี่นอ้อง ว่าอาตุลหุมสัญญางหนึ่งแกพวกเขาที่ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นเนี่ยนะให้ดูอะไรครับอัลอารุลูดูแผ่นดินอัลไมตะแผ่นดินที่แห้งแล้งให้ดูให้สังเกต ด, ดูมองดูตาเปล่าเห็นเลยเราไมา่ตกปฏิเสธอันนี้เห็นชัดๆอันรอดชี้นำไม่ฟังไปดูแผ่นดินที่ฉันให้มาเนี่ยคู่กับฉันฟ้าเนี่ย แผ่นดินน่ะมันเคยแห้งแล้งใช่แลวต่อมาเนี่ยฟยาฮัยนาอัลไมาตาแปลว่าแห้งแล้งอัลลอัลลออัอรดแผ่นดินอัลไมาตาตูแปลว่าแห้งแล้งหมายถึงตายอฮนาเราได้ให้มีชีวิตเราได้ให้ชีวิตแก่แผ่นดินสังเกตง่าย ว่าอัครรจนาพอมีชีวิตแล้วพอฝนตกลงมาใช่ไหมล่ะฝนตกลงมานะอัครรจนาเราได้นํามันออกมาจากแผ่นดินนั่นแหละอะไรบ้างกับฮับบันมเมล็ดพืชมีต้นไม้อัลลอฮ์ล่าเมล็ดพืชอย่างเดียวนะต้นไม้จะมีเมล็ดพืชออกมาเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนแห้งแล้งต้นไม้ตายหมดพออัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาแค่ให้ฝนตกลงมาอย่างเดียว ทำให้ที่ดินตรงนั้นเขียวชะอุม่มมีชีวิตชีวาต้นไม้เกิดขึ้นเอาพริกไปปลูกก็ขึ้นแล้วออกมาเป็นพริกใช่ไหมน่ารักเดียกว่าฮับบะออกมาเป็นมะนาวเดียกว่าฮัมบะออกมาเป็นอะไรก็ตามแต่เขาจะว่าฮัม บ, บ้าหมดเลยฮัม บ, บันมเมล็ดพืชเพราะได้มเมล็ดพืชมาแล้ว นำมาไปทําอะไรฟวามมนหูยะกลูลูพวกเขานำเอาไปกินเอาไปบริโภคเห็นยังครับมนุษย์จะอยู่ได้เนี่ยพอกินเนี่ยอาหารเหล่านี้แหละที่ที่อะไรนะที่งอกขึ้นมาจากแผ่นดินที่แห้งแล้งในอดีตมันมเีเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมานี่เป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้อีหมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูนะล่ะสบายใจนะที่กุไร น, นี้ชี้นานะ อ๋อเปิดหูเปิดตาพวกเราเออใช่เลยใช่คนที่ทนะําสวนอ่ะถเรียนกูอ่านนะเข้าใจง่ายเลยอ๋อเนาะเดี๋ยวนี้อินเดพันลังเมืองไทยมีขาแล้วนะ <c oughs> มีขาแล้วนะแต่คนที่ปลูกอนะ่ะ ท, ที่เป็นมุสลิมก็มีไม่ใช่มุสลิมก็มีทำยัมไงล่ะเมื่อก่อนเราดึกว่าตอกอามาจาัดซาอุดีอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในเะมืองไทยก็มีแล้วแล้วคนที่วางแผนอย่างนี้นะรีสกีมุลเลยเนี่ยไม่เห็นนะ เอาตกลงว่านี่เป็นสัญญาณของอลัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นนะ่ะนะให้ดูต้นม้ที่อยู่หน้าบ้านคุณนั่นแหละดูในแผ่นดินคุณมีสวนมีไร่ยอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนาก็มีสัตพันไร่คนระับเมื่อก่อนนี้แห้งแล้งหมดเลยพออนามเข้าไปใส่เข้าไปอาลอวักบัตปลูกโน้นปลูก น, น, นี้ขึ้นขึ้นมานั่นนะความสามารถของใครของคุณเร เม็นความคุณมันมีความสามารถสักอย่างนึ่งน่ะแผ่นดินฉันก็ให้น้าของฉันคุณเหนื่อยนิดเดียวก็เอาน้ำใส่หน้อนนิดหน่อยแล้วผลอะไรนะเอาต้นไม้ไปปลูกก็แค่นั้นเองอ่ะแต่ผู้ที่บริหารจัดการอยู่เบื้องหลังนี่คืออัลลอฮ์สุบฮานาหุบุตะอาลานี่เตือนเราให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาหุบุตะอาลาเอาอ่านดีขั้นหนึ่งว่าไอ้ทูลล่ะมุลอาร์ดุลไมตะ มไม่ตาแปลว่าที่แห้งแล้งหรือที่ตายอารุูแผ่นดินอายะแปลว่าสัญญาหนึ่งแล้วหุ้มแก่วกเขาให้พิจารณาดูแผ่นดินที่แห้งแล้งอฮัยนาเราได้ให้ให้ชีวิตอภัยนาเราได้ให้ชีวิตวาอัครเจนาเมื่อให้ชีวิตแล้วเราก็ให้ไรนะ ให้ได้นำมันออกมาฮับบันเมล็ดพืชฟาเมนฮูยะกูลูนซึ่งเมล็ดพืชนั้นท่านเอาไปทำอะไรไปนอ้องเอาไปกินเอาไปบริโภคทำติดเลยใช่ไหมแค่ตนพริกหอมไม่มีกินอาหารไม่มีพริกมาร่อยนะไม่มีมะนาวรอแย่แล้วใช่ไม อุ้องักุรนเนี่ยเป็ความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูบัติอาล่าและอัลลอฮ์อธิบายอีกกุร์ุอานอธิบายกุร์านในอายะอื่นอืัลลอฮ์บอกว่าในสุร้อนนาฮ์ลสังเกตแพะแกวัวควายมากมายในท้องของมันอ่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีมูลสัตว์มีเลือดมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็มีนมออกมาอีก ออกไม่ได้ยังไงเละนมเี่ทั้งสามสี่รายการปนกันอยู่ในท้องเนี่ยนะแต่เวลานม อ, ออกมาเนี่ยผู้อ่านบอกว่าชาอิบ so ัลิสซาซออิมิกกินอร่อยมากเลยชุ่มคอนี่ความสามารถของการของอัลลอฮ์สุานะจะตาแล้วอ้ะพนลมา ก, กับต้นไม้อนะัลลอฮ์รถเปรี้ยวรถหวานนัลลอฮ์ทำไมาเป็นอย่างนี้ฮามดีเละ คนที่ใช้ปัญญาเท่านั้นเองที่จะขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานยาอูฮฺดาราส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปัญญาเที่ยวทำไมวะโอห้อยไหม <laughs> จากี้เป็นตน้นอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺอัลเบดฮฺฮัมดุลิลลเอาต่อมาอายาที่สามสบสี่ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ ّ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ ّ وَأَعْنَابٍ ว่ฟ้าจระนาผีฮาในอัลกยูนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺวาานาเป็นว่าเราได้ทำนี่เาจะชมอัลลนะเราพูดอย่างนี้เป็นการชมอัลลอเลยนะวายานาเราได้ทำฟิฮาในแผ่นดินในแผ่นดินเนี่ยมีอะไรบ้าง ตามองดูบ้างศึกษาดูมีต้นไม้เนี่ยร้อยเอ่ยสองอย่างต้นที่หนึ่งยันนาแต่ว่าสวนหลออักบับนแผ่นดินนี่มีสวนเยอะประเทศใดที่ไม่มีสวนประเทศนั้นแย่นะตำสั่งมาจากต่างประเทศอ่าประเทศไทยเนี่ยต้นไม้เยอะผูกกันเยอะ ทัละอัลลอฮฺโดนใจให้คนนี้ปลูกคนนี้ปลูกคนนี้ปลูกคนนี้ปลู ก, นนลกอย่างไรล่ะที่อัลลอฮฺชมในกาแฟุณอ่านให้มนุษย์ผู้ศรัทธาเรารับพิจารณาสองสองต้นไม้หนึ่งคนาคีลต้นอินตาผลมัมมันคนฉลาดเขาปลูกแล้วปลูกประเทศไหนก็ได้ใช่ไหมสร้างรายได้เต็มเลยฮัมต้นอินทาผาลมัมสองวาอาณนาะบปนต้นอ่างุน เนีย่ยเราเชื่อเห็นกค่สองสองอย่างน่ะต้นอ่างงูกับต้นอินทรพาลไอ้ยังลอเขาเขาก็ต้องนึกน่ะนางมาริยมที่นางมาริยมด้วยนางมาริยมเนี่ยท้องไม่มีสามีพวกยะฮูดีว่าเป็นหญิงชั่วแต่กูนานบอกไม่ใช่ฉันเปล่าวิญญาณลงไปในมดลูกของนางมาริยมนี่คนยะฮูดีน่ะตำหนิหญิงไม่ดี แต่อัลอเลาให้มาเพื่อกระานางเป็นคนนะอาดน้ำสะาดสะอาดถือสิ้นอดอยู่เป็นประจำเธอสุดหยุดแต่อัลลอฮ์อยู่เป็นประจำอัลลอฮ์ให้นางมารยามในมีลูกโดยไม่ผ่านสามีต้องการจะโชว์อัลลอฮ์โชว์ความสามารถของอัลลอฮ์ไม่ชะโชว์ไม่จะโชว์นบีฮิซามไม่ใช่ <c oughs> อันน บ, บีอาดามมมีพ่อมีแม่ใช่ไหมตัวคนเชื่อตัอวฮาวฮาวาเนี่ยมาจากอาดามเชื่อ นบีอีสาผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อฮ า, าไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วแต่พวกเราวันนี้มีพ่อมีแม่อันนี้กล้าเกิดการในไอ้เรื่องนี้นะมีพ่อมแม่ใช่ไหมอาทิตนีน้นางมารยมเนี่ยตอนคลอดลูกเนี่ยผู้หญิงคลอดลูกนะเน่ยนเจ็บได้ไปเจ็บเจ็บมากอะ่ะเอาล้อสัง่งนักธรุอา่านสั่งให้นางเนี่ยขย่ า, ยยาต้นอินทรพลามอินทรพลามต้นเล็กกับต้นใหญ่ขนาดนี้อ่ะ ขย่าได้ยังไงล่ะอัลลอฮฺสั่งอ่ะอัลลอฮฺเพียงจะไปจับเท่านั้นเองพอจับภาพก็อินฟลัมก็ร่วงอ่ะนั่นแหละเป็นยาทานเม็ดอินฟลัมเม็ดสองเม็ดสามเม็ดเท่าลงไปหายหมดเลยเจ็บเจ็บนะหายหมดน่ะลูกก็คลอดง่ายอ่ะนี่ของอัลลอฮฺทั้งหมดน่ะเราต้องมั่นใจอัลลอฮฺในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเนี่ยสามารถให้ครหายหป่วยไม่ต้องกินยา ก, ก็ได้อ่ะ บางคนแค่น้ำมาตทหารยุตหายแล้วอะอาชซักยูลลอารยชาฉันปวดหัวให้หายแล้วไปกินน้าแก้วเดียวมันจกินยาก็หายอะเราไม่รู้อะอารยจะให้เราอะไรเราต้องผูกพันกับอารยชาอยู่ตลอดเวลามองง่ายๆคนจะแต่งงานเหนื่อยมหมบางคนโอโลหาผู้หญิงตัวนั่นแหละคือไม่เจอแต่บางคนเสนอหน้าบ้านเลยอ่ะ อัลลอฮ์ให้คนละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันอาผมเล่าต่อนบีอิสซาอะลัยฮุสสลามเป็นนบีใช่ไหมอัลลอฮ์ทดสอบนบีอิสซาไงรู้ไหมให้ก็คือหนึ่งให้เป็นนบีแล้วก็ให้รักษาคนให้หายนี่ความมอญิสซาจะอัลลอฮ์ให้กับ น, นบีนะคนที่ตาบอดที่มาหานบีอิสซาเนะี่ยประมาณสิบกว่าคนนี่นะ รักษาหายหมดเลยแต่สิบกว่าคนนั้นนะไม่มีใครสนับสนุนนบีอิสาสักคนหนึ่งขวางหมดเลยอ่ะยัั้นทดสอบอ่ะรอทดสอบน บ, บีอิสาเนี่ยถ้าพวกเราก็แย่เหมือนกันนะแต่เมื่อเราเมื่อถูกทดสอบแบบนี้ยกตัวอย่างเนี่ยเรามีพวกพีนองเราไม่เอาเราเลยอ่ะาก็ต้องนึก นบีอิสาก็ถูกมาแล้วหนักเลยแล้วเราเบาทำดุลินแล้วทำดุรินแล้วบุคคลตัวอย่างหมดเลยนบีอีสามีบุคคลตัวอย่างนาบีอิบรอฮิมทำงานศาสนาแล้วถูกอะไรโยนใส่ไฟอเห็นยงังอ่านนบียูซุฟมาลายิสลามถูกโยนลงไปในบอ่อแล้วต่อมาถูกติดคุกเห็นยงังที่ถูกทดสอบหมดพรเราอาร่านประวัติแต่ น, น, นบีแต่ละคนแต่ละคน ฮัมดูลิลละห์ถ้าจะอดมือกินมือฮัมดูลิลละห์คนที่เหนื่อก็เราบรรดานับีทั้งหมดอย่างอยู่เปนตะนแล้วที่อัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์อุษุนเนี่ยชีวิตของบรรดานับีเพื่อเสริมอิมาน<ม>ของเราให้มันมั่นคงตรงนั้นเองฮัมดูลิลละห์พอใจนะต่อมาครับตุวร้องว่าบนแผ่นดินนี้นะ่ะอัลลอฮ์ให้อะไรนะให้ต้นอินทพาลามเกิดมาสอให้มีต้นอางนุนใช่ไหม ว่าฟัจจนาฟิฮ์และเราได้นำฟัจจนาแปลว่าให้มีอายุแปลว่าตาน้าฟัจจนาพวยพุ่งขึ้นมาให้น้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเลาสั่งหมดเลยนะ่ะพี่น้องจะทำอะไรก็าตามแต่ทำอะไรนะน้ำพุ พูดอยู่เบื้องหลังให้น้ํามันขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานาฮ์มุฮัอัลลไม่ใช่มันขึ้นเองเ <c oughs> ตือนพวกเราวันนี้ที่เราปลูกต้นดินพารามน่ะเองเหนื่อยแค่เอาเม็ดมันไปปลูกแล้วก็ผู้ที่บริหารคืออัลลอฮ์ให้มันเจริญงอก ง, งามแล้วต้นใหญ่ขนาดนี้น่ะมันออกมาเองมันเหรอแล้วก็ต้นนา ง, งูนต้นไม่โต้เท่าไรใช่ไหมแล้วก็ อังวเ น, น, นี่ยหวานดินพะลำมันมีอัลลอ์เอ้าแต่สองอย่างนี่รถชาติคนละอย่างเลยนะอัลลอ์อักบัตนั่นความสามารถของกายของอัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع าลาอัลลอฮ์อักบรัวาจารณาฟิฮาจันาติมินนะคีลิวะนะบและเราได้ให้มีในแผ่นดินเนี่ยสวนหลากหลาย สวนอินทภาลามัมสวนอังุนว่าฟัจจารณาฟิฮาไม่ละอยูนและเราได้ทำให้มีนม้ำพุถวยพุ่งในแผ่นดินนี้สวยไหม Allah, อัลลอฮฺข้าพเจ้าทำดุลิลางเนี่อยเลาชี้นำให้สองสาเรื่องนอกจากนี้ก็โดนเดิ น, เ ด, นเดินทางต่า ง, างประเทศก็รู้อัลลอฮฺไปไดว้วไปเห็นอุลโลนประเทศนี้ดีนะ ทำลนเรลาเราก็ได้ขอบคุณอัลลอฮฺสุภาดาราไปเจอน้ำดำๆเป็นไงใช่ไหมอัลละะอฮ์ก็ว่าพอกินน้ำดำนึกถึงนบีอิบราฮมน บ, บีอิสมาอนนังฮะจัดนึกหมดเลยอะ่ะนึกอะไรนะซอฟามารุ ว, ตวาตะวาบใบตุล้นึกหมเลยใช่ไหมเนี่ยพอเราทําะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างนึกถึงอัลลอฮฺสุภาดาราเดินผ่านกูโบนึกถึงอาลาบแต่ม่มะเลย์กามาถามกี่เรื่องสามเรื่องนึก ฮัมดุลิลลาอัลลอฮฺอับดุลฮัมดุลิลลาปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาทีนี้สวนอินทผลัมเนี่ยแล้วก็ต้นต้นองุ่นแล้วต้นไม้ต่างๆที่ที่เราที่เราเห็นอยู่บนโลกใบนี้นี่นะในคุอ่านอธิบายว่าผลิตเป็นน้ํามันก็ได้ด้วยอ่าผลิตเป็นน้ํามันแล้วก็เป็นน้าจิ้มอัลลอฮฺอับดุ เนี่ปยประโยชน์หมดเลยเนะ น, น่ยเอามาทำอะไรก็ได้จต่ในเวลาทำแ ล, ล้วยาลืมให้นึกถึงอัลลอห์ขอบคุณอัลลอ์ให้บริจาคนะครับอย่างนี้เป็นตนวอัลตอมาอายาที่สามสิบห้าลยกูลูมินซมารีฮ์วะมะามิลัตฮูอดีฮิม أ ฟลายัชกูรุ ลิอาคุลูม <an> ินซามาริห์ว่ามะมิลัดกุไอดิห์อฟลายาสุรุนอัลลอฮุอะลลอฮิวพี่น้องท่องจำสุรยาซีนรู้ความหมายด้อร่อยนะเอาอันนี้ตองการอธิบายอย่างนี้อร่อยเล่าวันนี้นะมีต้นองุ่นแล้วก็ต้นอินดิฟลามเอาผลไมนมันมานะ ลิยะกูลูเพื่อพวกเขาจะได้กินมันแน่นอนแล้วก็กินเนี่ยอัลลอฮ์ชีน้นำให้นะเองกินนะให้กากิสมิลลาบาก่อนกินแล้งบิสมิลลากินด้วยมือหนะ น, น า, าอนบดุลละศกินด้วยมือขวานะอย่า ก, กินมือซ้ายนะล้วก็บแบ่งกันด้วยนะเวลาอิมแล้วอัลฮ์มดุลิลลา อินทพลาล์มเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลจ้นจริงๆบางอักบาดผลภัวิจัยออกมาอลอนรออักบัดเนี่ยมันไปอะไรที่มันขาดต่งบกพร่องตอนถือสินอดกลางวันนี่นะพอกินอินทพลาลมนะแก้บวชโดยอินทพลาลมกระตามดยน้ำเนี่ยนะ อ, อ่อนรออักบัดทำให้สวดชื่นะ สังเกตถ้าเนื้อมันออกเล็กๆในนอนนี่ยนะอร่อลยไปน้มานบังริบเนี่ยอร่อยจริงๆอัลฮท่มันดิเลยครับขอบคุณอร่อยเนี่นยเอาต่อมาครับลิยะกูรูมินสมาริฮีเพื่อพวกเขาจะได้กินผลไม้อั ล, ล่อยไหมผลที่ออกมาจากต้นวามามิลัดหุไอดีฮิมไอดีฮิมแปลว่ามือของพวกเขามาวามาแปลว่าไหมา อาเมรัสไอดีอันอั น, อ น, อนรัสแปลว่ามือไม่ได้ทําอามิรัสแปลว่าทํามาแปลว่าไม่มือของพวกเขาไม่ได้ทําเลยนะอินทรพาลามจะคุณปลูกนั่นนะไม่ใช่มาจากคุณตนอางุนที่คุณปลูกไม่ได้มาจากคุณแต่มาจากใครมาจากอัลลอฮฺสุบานอุบตาละนี่นัสูรอยาซีนสอ น, นสเตือนน่ะ คุณจะปลูกอะไรกันไปตามน่ะคุณแค่เอาไปปลูกไอ้ปลูกเนี่ยอัลลอฮ์ดนใจคุณให้ไปปลูกนามุสลิมไม่ใช่มุสลิมในเรื่องหนึ่งอ้าคุณไปปลูกอินฟลาลามต้นอินฟลาลามในเมืองไทยมีอยู่สองสองสจังหวัดน่ะเขาว่าผู้ที่ไปลงทุนปลูกตดนอินฟาลามเนี่ยอัลลอฮ์ดนใจน่ะไม่ใช่ความสามารถของคุณอัลลอฮ์ลากบัด ว่ามาอามิลัตมาแปลว่าไมา่นะครับอามิลัดแปลว่ารมไอ้ดีห้มือของพวกเขามือของพวกเขาไม่ได้ทำขึ้นมาอ๋ลลาอรักานตกังว่าที่คุณจัดการอะไรกันอยู่วันนี้เนี่ยไม่ใช่ความสามารถของคุณนิ่มเบื้องหลังความสามารถของใครของอัลลอฮฺ ทุกอายาใ์นคุณอ่านนะไม่มีอายา์ไหนที่ว่าคุณเองทำเองไม่มีนะเอาล้อให้เอาล้อให้เอา ล, อ ใ, หอาลอให้ทั้งหมดนี่เราที่มานะมาสูว่มานั่งเรีนมัธยมได้เนี่ยคำสมาธิของใครเอาล่ะขอพูดเอาล่างหมดนะเอาลอาบักบที่มีเงินนี่ยแสนสองแสนเนี่ยใครให้เอาลอให้ต้องนึกพมีปัญหาเกิดขึ้นเรานี่ทำความดีหรือเปล่าต้องนึก ต้องสำรวจดูตัวเองอย่าไปสำรวจคนอืน่นมาดูตัวเองเอ่ะเออ น, นามายครบเปล่านี่ลูกเราล่ะโอยแล้วคนที่อยู่ต้าการดูแลเราสองสาคนเราดูแลเขาหรือเปล่ า, ล, าลูกมันดือรเปล่าทรยศเปล่าเราในนมามยครบไมอ่านกุณอ่านไมกิกรุมลมั้ยนึกทบทวนตัวเองตลอดเวลาเลยอัลลออัลกบอัลลอักบอามาลฟาลุาลาารพวกเขายังไม่ขอบคุณหรือ เนี่ยชีนำนะคุณที่ปลูกต้นอินทผลามปลูกปลูกต้นองุ่นแล้วคุณกินผลไม้เนี่ยนะแล้วก็คุณทำไมได้ทาสักนิดหนึ่งนะเอาลอให้ทั้งหมดเนี่ยทำไมคุณไม่ขอบคุณเอาล่อสุพานณหาาวัวใจาลาอย่างน้อยที่สุดขอบคุณท่านด้ยวยกรับอัลฮัมดุลิลลา์ตอนอิ่มแล้วก่อนกินก็บิสมิลแล้แล้วกับแบบคุณอื่นเขทานด้วยอย่าทานคนเดียว อัลลอฮฺอาบดุลลาห์อามิโนอะไรเงี้บนโลกดูนยาใบนี้อะไรที่แข็งที่สุดนี่ออกออกอกเรื่องนิดนึงนะอะไรที่แข็งที่สุดอ่ามีมีฮะดิษท่านนบีสนอนยางี้วันที่อัลลอสร้างสร้างโลกใบนี้มาเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยโลกมันโครงเครง มนุษย์สมัยกอ่อย่างไนเยอะก็บนมาลัยกาเนี่ยอยู่กับมนุษย์จะเข้าไปฟว้องลารอจ้ามนุษย์บนว่าล่วงนี่มันไม่มันโค้งแขงนะมันไม่อยู่นิ่งเลาก็นินดาบีเล่าเองนะเราอ้าวฉันจะให้ภูเขามาภูเขาก็เป็นเข็มหมดุดให้ลว่วงไปนี้นิ่งมาลัยกาไปสัมผัสภูเขา พอเอามือไปจับโอ้โแข็งจริงๆก็ถามอัลลอเหล็กไอของที่แข็งกว่าภูเขามีไหมรบบมีอะไรเหล็กสามารถส ก, กัดภูเขาให้มันแตกได้อ้าวมาเลก้เข้าใจก็ถามต่ออีกที่แข็งกว่าเหล็กมีไหมผมเคยเล่าแล้ว น, ะนานๆเลยนะ แข็งกว่าเหล็กมีไหมบอกว่ามีอะไรอะ่ะไฟไฟทำให้เหล็กอ่อนได้พอลนไฟใช่ไหมล่ะพอไปจาบไฟโอโ๋อสรรศรัทธาแล้วเชื่อแล้วที่อ๋อเราบอกนบบจริงหมดที่แข็งกว่าไฟมีไหมเระบอกนี้อะไรอะ่ะอน้ำทำให้ไฟดับได้อ๋ออเข้าใจเข้าใจกับที่แข็งกว่าไฟมีไหม เราบอกมีอะไรอ่ะน้ําทําให้น้ำมันรอเราแบบอัตมาที่แข็งกัน่น้ํามีไหมเราบอกมีตัวมาอะไรลมอ่ใาใช่ไหมน้ำมันจะจะเป็นคลื่นอยู่เนียนั่ น, น, นแรงอะไรแรงลมนะที่อลัลลอฮ์ให้มาเนะี่ยที่แข็งกว่าลมมีไหมเระบอกมีมนุษย์ที่อิมานต่อ AH. อัลลอฮ์อ่ามีมีว่าด้วยนะ มนุษย์ที่อีมานต่ออัลลอฮ์แล้วหัวใจของเขาโยงกับอัลลอฮ์หัวใจของเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์แข็งกว่าทุกรายการในโลกใบนี้เลยอายุตัวอย่างนาบีอิบราฮิมทําไมไฟเย็นพอใจของเขาทําอะไรพวงโยงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้ไฟเย็นทำไม น, นะดันั้นอีมานี่เดียวพี่น้องอีมานี่ทำให้เข้มแข็งที่สุด แข็งกว่าลมแข็งกว่าอากาศแข็งกว่านา้าแข็งกว่าไฟแข็งกว่าหินอิมานอีมานอย่างเดียวทำให้เรานอนอยู่ในกุโบสบายอีมานอย่างเดียวทำใหเราฟื้นขึ้นมาเจ็ดแปดขั้นตอนจะต้องผ่านผ่านแบบง่ายได้หมดเลยอีมานอย่างเดียวแล้วก็ตามสุนนะนบีทุกเรื่องในยุครานี่นะอ่ะยุครานี้ นี่เห็นยังครับนี่ความรู้ผ่านผ่านนั่งท่านมันสง่างามกันไปน้องไม่ต้องไปสงสัยเลว่าอิสลามจะทำไมถูกรังแกเพราะมันของดีไงของดีมันก็ถูกรังแกเยอะใช่ไหมล่ะแล้วคนก็เพิ่มรับอิสลามใช่ไหมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นต้องช่วยกันสอนอิสลามสอนสุนน์านบีในหมู่บ้านแน่นอนเพราะสอนก็คนก็จะเริ่มด่าใช่ไหมเองเองเอาอะไรมาสอนมาทําไม่แต่ยงแต่แยกก็ต้องอดทนนะพี่น้องนะ อาตลงว่าต้นไม้ที่เราปลูกอยู่นี่นะใครบริหารจัดการอยู่อัลลอ์สุพ า, าละอาฟลยกูรพวกเขายังไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อีกหรืออัลลอฮ์จัดการบริหารหมดเลยนะเอาต่อมากระย่าที่สามสิบหาน u ลล a n คอล a d ล i k h a l a ล a l a م ิมัตุม بت الأرض ومن أنفسهم و م ِ ما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها م مَّا ت ُ م, م ت ب ِ ت ُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ว่ามิมไม่ละยาละมุนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะบดุนี้ต้องการจะสอนมาเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนนะทุกสิ่งบนโลกดุลยาใบนี้เป็นคู่หมดเลยเป็นคู่คู่คู่คู่คู่อัลลอฮ์มีคู่ไหมยกเว้นอันลลอฮ์ไม่มีคู่นอกนั่นมีคู่หมดเลยมีตัวคู่ตัวเมีย ผู้หญิงผู้ชายจะเป็นคนผู้หญิงผู้ชายจะเป็นสัตว์ตัวผู้ตัวเมียถ้าผลไม้ผลไม้มีคู่หมดเลยไม่มีอะไรเอกเอกไม่มีกับมีคู่หมดเลยฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายมีสามีมีภรรยาทั้งสอคนแต่ไอไอไอของที่มันเปลี่ยนคือผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายอันนี้อลลอฮ์โกรธนะผู้ชายทาตัวเป็นผู้หญิง ok อัลลอฮ์โกรธนะเอามาดูอัลอฮ์สุบฮานาลลอฮีสุบฮานาสุบฮานาอัลลอฮ์นัละ มหาบริสุ์ยิ่งเดอัลลอ์ให้ก่าวคำนี้เยอะๆ س ุบ ا ن อัลลอฮ์ س อัลลอดีคอละกลอจวัดขอละกล็แป ล, ลว่าได้ทรงสร้างอัจวัดเป็นคู่กุลลาทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นคู่หมดเลยเปิดหูเปิดตาเรายังอัลลอฮ์อัลลไม่มีอะไร เอกะไม่มีมีอัลลอ์เอกะทั้งหมดมีคู่หมดเลยคู่คู่คู่คู่คู่ใช่หรือไม่ใช่สัเกตดูสินักวิทยาศาสตร์มันจะอันเล็มกว่าอัลลอ์ได้อย่างไรออาต่อมาครับมิมตุมบิทุลอารดุจากที่แผ่นดินได้งอกขึ้นมาเห็นไหมสิ่งที่อัลลอ์ให้งอกลงมาในแผ่นดินนี้มีคู่หมดเลย อะไรบ้างที่มาได้มาจากดินทุกอย่างมาจากดินหมดเลยใช่ไม่ใช่อาดามมาจากไหนดินคนตั้งเจพันล้านนี่มาจากดินหมดเลยนึกบัางหรือเปล่าต้นไม้มาจากดินทรัพย์สินทั้งหมดมาจากดินหมดเลยแล้วเรามีคู่หมดเลยนะมีคู่นะเอ็งหาเป็นเ่เป็นไอ้เรื่องมันเป็นไปเรียนเอาดีอัลลอฮัลอั ต่อมาครับวามินฟูซซฮิมและจากตัวของพวกเขาเองก็เป็นคู่ด้วยใช่หรือไม่ใช่ไต้คู่นี่มันสำคัญเหมือนกันนะโอ้บางคนนะมีคู่เพราะมีคู่มีภรรยาแล้วเนี่ยนอนมาหลับเงาฮอลโลอาความีคู่ไม่ดีกว่าเครียด น, นะ วามินอัลกุสเซมแล้วก็ในตัวของพวกเขาเองก็มีคู่ก็มีอะ้มีภรรยาสามีภรรยาตัวผู้ตัวเมียนะครับสั้นแผ่นดินมันจะดินใช่มมีตัวผู้ตัวเมียต้นไ ม, าานามา้มีตัวผู้ตัวเมียใบไม้มม ก, ก็เหมือนกันมีตัวผู้ตัวเมียผมพกกับหมอเนี่ยหมออะไรแผนแผน่นแผงเนี่ย แผนโบราณเนี่ยนะให้กินใบไม้เนี่ยเขาว่าอาจารย์ต้องดูให้เป็นนลยนะดูมนะันอ่ะใบไม้อ่ะใบที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียเลือกกินใบที่เป็นตัวเมียตัวผู้อย่างไปกินพกติแล้วมันไม่หายหาย <laughs> ใช่จังเนี่ยทำให้อิมานตอนรอบเพิ่มขึ้นเลยัลำดูเลยล ะ, ะต่อมาครับว่ามิมมาเลยะเลมูเล ในสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้อีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้เกิดมาหรือเกิดมาแล้วเราไม่เห็นยังไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดเห็นยังเนี่ยวา่ามมารยะละมูนและที่พวกเขาไม่รู้อีกและ่ะตกลงเราเนี่ยรู้เล็เกๆไม่น้อยใช่ไหมรู้กูอานยันเดียวกระเพาะห้อง ก็บ้านอับีอ่านหนังสือเล่มเดียวคือกูอานได้ไปสวรรค์หมดเลยและพวกเราในอ่านหนังสือทุกเล่มยกเว้นใช่ป่าเชื่อวที่กูอานนะไม่ก็ในอ่านได้หรอกอัลลอฮฺวางบัดอ้าของที่มีคู่ในตบที่อธิบายดีนะมีคนแก่คนหนุ่มมีแข็งแรงก็อ่อนแอมีหน้าร้อนมีหน้าหนาวมีเปียกมีแห้งมีดีใจก็เสียใจมีสูงมีต่ำมี แล้วก็ยังมีอีกแยกๆไปหมดเลยมีเค้มมีหวานมีแดงมีดามีคนขี้เหนียวมีคนใจบุญมีคู่หมดเลยนะแล้วก็มีข้างบนมีข้างล่างมีใจดีมีใจร้ายมียิ้มกันหน้าบึ้งมีคู่หมดเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกของที่ที่นบีสั่งที่อัลลอ์สั่งเลือกของดีดีดีดีดีนะครับแล้วก็มีหัวใจที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก็ใจที่นึกถึงอัลลอฮ์ อาหัวใจที่นึกถึงอัลลอ์เป็นหัวใจที่งดงามไหมงดงามเนี่ยพยายามศึกษากตลอดเวลาคนที่น้ำมาคนไม่นำมา์มีไหมมีั้นลูกเราก็ต้องนึกจะอัลลอฮ์ให้ลูกเราเป็นลูกที่ซอแลรเธอก็ได้นำมาดอ่านคุอน ร, อ, รอ่านที่คุรุลลอฮ์อดทนให้อภัยของดีอายะสุดท้ายนะครับว่ายะตุลละหูมุลล์นัสละหูมินหุนาร َ إ ِ ذاهم م ظ ل ُ و ن و آ ي َ ة, ه ا ل َ ه م ُ الليل نسلخ منه النهار َ إ ِ ذاهم م ظ ل ُ و ن อ ل ل ه นี่ก็เป็นสัญญาณอีกว่าอีกสัญญาหนึ่งให้เราใช้ปัญญาให้เราคิดลَหุ م ม สำหรับพวกเขาอะไรรู้กลางคื น, นถามว่ากลางคืนกลางวันใครมาก่อนจากข้ออนยญาตนี่อะไรมาก่อนกลางคืนมาก่อนได้ไหมยังจะบวชเนี่ยบวชวันที่เก้รารุลงรุ่งฮิญาเนี่ยไม่ใช่ไหมวันที่เก้าเนี่ยตอนกลางวันถือบวชบวชใช่ไหม พอกลางคืนขึ้นมานะข้าวข้าวันใหม่นะพอข้าวันใหม่ภาพปตะวันตกภาพกลางคืนมาให้แก่บวชท่า น, นข้าวกลางคืนกลางคืนมาก่อนกลวันมาทีหลังอ่ะทีนี้อรอดเล่าตอบอีกนะนัสลาคูเราได้ถอนถอนถอนนะซาลาข้ซาลาข้อเนี่ยเดิมแปลว่าถลกหนังถลกหนังสัตว์ พอถลกหนังสัตว์ภาพเนี่ยเราเห็นเนื้อเลยทีนี้กลางคืนกับกลางวันนี่นะบนโลกดุรยาเบนี้อัลลอฮ์สร้างกลางคืนก่อนกลางวันนี่มาที่หลังนะจึงนั้นในโลกอาคร์คิรอดมีแต่กลางคืนนะกลางวันไม่มีเดิมในทุนมาชาทิมีกลางคืนหมดเลยนะไม่มีกลางวันไอ้มีกลางวันนี่แต่มีดวงอาทิตย์ไอ้แค่แค่เพิ่มนั้นเป็นการลงโทษ่ะ เงือบางคนถึงตาตมูมมีถึงเอวมีถึงขามีถึงถึงหน้าผากเนี่ยถึงเอวถึงคอถึงปากเนี่ยนะั่งเงือนะแต่ของขมุบมวดมินไม่มีเดินสบายในเช้าร้อนะครับวายตุลหุมุลลยสัญญาหนึ่งสําหรับพวกเขาคือกลางคืนกัางคืนมาก่อนครับนัสลาโคมินหุนนะเราได้ถอน อันนะรับะว่ากลางวันเราได้ถอนกลางวันออกจากกลางคืนเอากลางวันออกไปแล้วก็กลางคืนมันก็มาตกลงว่าใครบริหารโลกใบนี้กลางวันกลางคืนใครบริหารอัลลอฮ์อัลลอฮ์บริหารแต่เพียงผู้เดียวกลางวันกลางคืนนี่ถ้ากลางวันอย่างเดียวกลางคืนไม่มียุ่งนะแต่ในวัน ในวันเกียรมากเนะ่ยเบียตากลางวันกลางคืนไม่มีนะอยูในสวรรค์นนะเบียตากลางวันอย่างเดียบกลางคืนไม่มีไม่ต้องนอนเพราะว่าไม่ไม่มีคำว่าเพลียไม่มีคำว่าเหนื่อยในสวรรค์นนะ่ะเอามาผมเอานะบนดุนยานี่ต้องทํางานต้องพักผ่อนต้องมีกลางคืนเนีไงเรียกเวลานอนอย่านอ น, นตอน้องคืนให้ลุกขึ้นละมาะหดหายยุดอีกตามมาฟาอิซาฮุมมุสลิมูน เมื่อนั้นพวกเขาอยู่ในความมืดพวกเขาอยู่ในความมืดต้องก็จะอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยนะอยู่ในที่ ม, มืดมาก่อนจะให้สว่างอัลลอฮ์ให้ความรู้มาอัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์มาดวงอาทิตย์นี่กระว่าอาริดีชั่วคราวนะอ้าวดวงอาทิตย์มาจากไหนอ้ามาจะแสงแสงสว่างใช่ไหมดวงจันทร์มาจากไหนได้ามานจะแสงอาทิตย์นี่กูอ่านอธิบายหมดเลย ชั่วคราวแต่เดิมมันอะมืดหมดมืดโลกใบนี้มันมืดแต่ท่านคนที่อยู่ในที่มืดทั้งโลเนี่ยทุกยยอย่างเป็นพระญาคนดีหรอกขี้เกียจบ้างไม่เรียนหนังสือไม่เอาศาสนาพระทวารอรียมืดนะเพรว่าอาธรรมด้วยกระไดเป็ความมืดดังนั้นต้องเรียนศาสนาพอเรียนศาสนาแล้วเนี่ยเท่ากับเราขจัดความมืดออกจากตัวของเราเอาหลอดถอนความมืดออกด้วยเอาแสงสว่างมาเอาอิสลามมาเอาอิมานมา โอ้มันตีความใจเยอะมากเลยเข้าใจน ะ, ะตกลงว่ากลางคืนมากับกลางวันอะไรมาก่อนนะกลางคืนมาก่อนและกลางวันมาทีหลังเข้ากลางคืนก่อนอย่างนี้เป็นต้นเอาอ่านอีกเที่ยวนะครับว่ายาตุลลาหูมุลไลลนัสลาฮูมินุนนฮะ ฟาอิกะฮ์มุสลิมและสัญญาหนึ่งสำหรับพวกเขาคือกลางคืนเราได้ถอนกลางวันออกจากกลางคืนแล้วจงดูเถิดพวกเขาอยู่ในความมืดมุสลิมอยู่ในความมืดคนนี่นิสัยเดิมๆนะชอบมืดมืดไม่อมอมอมชอบเรียนหนังสือเรียนหนังสือต้องขยันใช่ไหมล่ะไม่ชอบมานมาดมัสยิดฟังเรียนสุนนะเยอะๆให้อาภาัย เรื่องยากทำไมให้อาภาัยอยู่ในความมืดสักแก่นนะอยู่ในความมืดมาตลอดฉะนั้นเอาศาสนาเป็นแสงสวา่างเป็นรัศมีเอามาทำลายความมืดโดยการเข้าใจอิสลามเรียนอีหมานเรียนตกวาเรียนยาเคีเรียนยาซารเรียนด้วยนนความบริสุทธิ์ใจต่อ Allah s ล b า a n a i t a t a g f i r u l l a h wa taufiil صلى الله ع ل ى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين